ตรรมจบเรากฟังธรรมกันวันนี้มีกลุ่มบริษัท a อ a, a หลายจังหวัดมารวมตัวนปฏิบัติธรรมที่นี่ส่ญนใหญ่เป็นผู้บริหารจะมีตัวแทนบ้างสามสี่ท่าน รวมกับนักปฏิบัติที่อยู่ในวัดในช่วงของคอสเข้มทั้งเป็นวันที่สารแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มากันมาทำวัดรวมกันเย็นนีน้ก็เป็นทิศทางเดียวกันก็ mm hmm. คือการมาละช่วยทำดีแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธ เขถึงสภาวะของตัวภาวะนาภาวนาคือขยันรู้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้ลูก ร, ร, รู้นาำภาษาเป็นอย่างนี้แต่ว่าอาการมันเป็นยังไงก็ต้องเคลื่อนไหวดูรู้สึกตัวรู้สึกตัวดูกระทบสัมผัสรู้สึกรู้สึกตรงนี้ เราเคยทำทานทานทำให้รวยศีลทำให้สวยเราเห็นว่านะทานทำให้รวยคนรวยก็ทุกข์ใจเยอะมีเงินแต่ว่ากินข้าวไม่ลงมีเงินแต่ตายตาไม่หลับห่วงลูก ห, ห่วงล้านห่วงบ้านห่วงทรัพย์รักษาศีลทำให้สวย อ่อนโยนมีน้ำมีนวลสีหน้าผ่องใสแล้วก็ทุกคนสวยทุกก็เยอะคนสวยปัญญาไม่มีก็มามันก็จริงคนสวยค่าตัวตายอย่างเช่นนางงามจักรวาลนางเอกหนังต่างๆเป็นข่าวขาวกันมากมายมันบอกปัฒนาจิ่งใดความรวยหรือ ความสวยความงามฉะนั้นหรือเราถ้าจีกัน ท, ท้ามาปฏิวัติธรรมเป็นพ่วงแพรมันจะไม่ดีกว่าหรือมันเกิดความฉลาดหายโง่ความงงความมืดความลังเลสงสัย รู้สึกมึนๆทึบๆไม่โล่งไม่ปล่งเคิดอะไรมันก็ติดๆกัดๆมันไม่แตกแขนมันไม่ทะลุตะลวงอาภัญหาไม่เป็นความทุกข์ทุกข์ทุกโลกทุกข์พระบ้านทุกข์พระทรัพทุกข์พระงานทุกข์พระสุขภาพทุกข์พระกายทุกข์พระใจของเรามันคิดไม่หยุดอกลางคืนเป็นควันกลาวันเป็นเปลว กลางคืนก็ว่าฝันเงินก็ว่าคิดอย่างมันมีวิธีการมันมีกรร ม, มวิธีอยู่ในพระศานานิชี้ชัดทุกสมุทัยนี่ลดมากอริยสัจสี่เกิดที่ความคิดอุปทานยัโลกอุปทานปัญหายังไม่มีคิดให้ทุกได้ความทุกยังไม่เกิดคิดให้ทุกก่อนได้ ยังไม่ได้พัดภาคแต่คิดว่ามพัดภาคทุกสักก่อนแล้วปรารถนาจริงใดฝันเอาความจริงยังไม่ปรากฏแต่ว่ามันฝันกลางวันฝันลมๆแร ง, งๆละเมอกลางวันลืมตายอยู่เราก็เจอเนี้ตื่นความรู้สึกตัวน้ำพาให้ตื่น ได้รู้สึกต่อจึงไม่ได้พูดกันเรื่องอื่นมากมายหลังจริงแล้วพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวหรือเรียกว่าสติปัญฐานที่นี้เราใช้แนวเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในหวิธีสามารถเปรีแผ่ได้ทดลองคลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวอย่าอยู่นิ่งๆที่เรามีการเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์ก็คืออย่าอยู่นิ่งๆ อย่างวันนี้มีหลายคนนั่งคอหักเลยปฏิบัติยังไงกันคอหักยังไม่รู้่าคอหักนั่งหลับปลุกตัวเองหน่ยนั่งคอพับเลยพยายามเขย่าทั ง, ง่วงเดินเดินง่วงเดินแรงๆกระเทิรไปเลยให้มันรู้สึกชัดๆแข่งกับตัวง่วง ทำได้อาจานนิดนึงกลา้ากล้าหน่อยกลุม่มที่มาใหม่ก็เริ่มได้ยินได้ฟังได้คุ้นเรียกว่ารู้จักรู้จำไว้ก่อนความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมีเวลาอยู่สองวันพ่<ม>งนี้เต็มเต็มวันกับเรือนนี้ตอนเลินกลับก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติการมานะ มันเกิดความชัดเจนทักงสองวันในชีวิตของเราเรื่องของกายดยูที่ธรรมชาติของกายเป็นยังไงเราทำไหะธรรมกายหรือกายที่มีธรรมชาติเนี้ยไม่งั้นมันทุกพรากายมีร่างกายก็เหมือนคุกคุกที่มันขังเราอยู่เหมือนเราเป็นนักโทษประหารที่รอวันตายเฉยๆไม่มีโอกาสที่จะอุทธร์ต่อรอง หรือว่าติดสินบน mm hmm. จะหายาอายุวัฒนะขนาดไหนมากินก็ค mm hmm. งหนีไม่พ้นะความตายว่า mm hmm. ทุกๆขนาดของเวลาเราใกล้ความตายไปทุกๆขนาเห mm hmm. มือนโก mm hmm. ที่ไปจะคาตจุงสู่หลักฐานาเหมือนน้ำยะค้างบนยอดยา mm hmm. พอแสงพระาทิตส่องวังหวบหายไปแล้ว มันไม่นานนักในชีวิตสั้นๆร้อยปีมนุษย์ก็เท่าหนึ่งปีของเทวดาร้อยวันของเทวดาก็เท่าหนึ่งวันของมนุษย์อะไรมันจะเป็นอย่างนั้นมีความสุกขก็ไปเดี๋ยวว่าดาแล้วหมดตายไปแล้วลืมตัวเราก็เลยไม่ประมาทกัน ใช้ยุทที่เหลืออยู่พยายามดูกายของเราเป็นยังไงจะได้อใช้มันเป็นการบรรลุตามก็ว่าได้จิตก็เหมือนกันมันเป็นยังไงกันมันแวบคิดแวบคิ ด, คดนะอารมณ์นิมน์จรเข้ามาจิตมันก็บริสุทธิ์อยู่ประพัฒสอนผองใสอยู่ถูอุปกคิเลชนจรมาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมชาติเป็นอารมณ์ ประจรมาทีละเมื่อสร้างเรื่องสร้างราวให้ทุกทีคิดให้สุข ก, ก็สุขคิดให้ทุกข์ก็ทุกข์พอใจไม่พอใจชอบไปชอบรักนักจั ง, จงเดี๋ยวก็ยาวเข้ามาเดี๋ยวจะผลักออกไปชีวิตนึงก็เลยเสียเวลาในประนั้นเรามีเวลาแล้วได้เวลามาแล้วแต่ ล, ลักษณะเราก็สร้างสรงรค์อะไรเนี่ย ใช้เป็นความรู้สึกตัวให้หมดเลยอะไรก็ตามกลับมาเป็นความรู้สึกตัวให้หมดขณะที่กายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวตาดวก็รู้สึกตัวหูฟังก็รู้สึกตัวจมูกได้กลิ่นก็รู้สึกตัวรินริมร้นก็รู้สึกตัวสมองจิตใจคิดนึกตรวงแต่งมารู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวเต็มพื้นที่ของจิตใจเรา ให้เราได้เหมือนกับว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตลวต้วนๆทีมเข้าถึงความผาสุข <quir waren> ความสุขเสมสารของจิตวิญญาณอิสรภาพทางจิตวิญญาณก็จึงมีการวัดในรูปแบบกันการเคลื่อนมือ1ิตีจจังหวะการเดินจงกรม ถ้าเป็นสถานที่อื่นๆก็จะถามก่อนว่ามากี่วันท้ามาไม่ถึงเจ็ดปีเอออย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่งกลับไปก่อนหรือว่าไปฝึกที่อื่นก่อนถ้าเจ็ดปีรับมาปเดบัติธ ร, รมเก็บอารมณ์หรือนอนไปอยู่ในห้องนอนเสร็จแล้วก็ล็อกแแกุญแจเลยไม่ต้องไปไหนมาแล้วอยู่ในนั้นนะจปีเหมืนอนกับคนติดคุกเลย เแล้วก็ต้องมาดูสภาวะธรรมในตัวเรามันอึดอัดยังไงมันหงดหงิดยังไงมันโล่งโปร่งยังไงมันผ่านยังไงเพราะมันมีลักษณะของความทะยานอยากพอใจไม่พอใจทะยานอยากทะยานไปผลักพยายามที่จะไปยึดก็คือยึดตั้งคู่เราก็จะได้เห็นแหละเวลาอยู่กับตัวเองเห็นตัวเองชัด บทีก็ติดดีก็ติดไม่ดีรู้ไม่ดีแต่ก็ได้ทำลงไปรู้ว่าดีแต่ก็ไม่ชอบะจะดีทรืช่วก็ตัวกูคนอื่นก็บอกไม่ได้คิดอยู่เสมอทำดีได้ดีมีที่ไหนทาชั่วได้ดีมีถมไปพอจับก็ไปปฏิบททัติทนแล้วมันก็ตะลักตะลวงเข้ามา มันไม่เกี่ยวกับดีไม่เดียมันเกี่ยวกับมันปุงมันฟุ้งก็ว่ามันเผลอมันหลงมันไม่รู้สึกตัวที่ฐานกายบองทีมนก็ง่วงบางทีมันก็เหนื่อยบางทีก็เจ็บปวดชาทังเนื้อทั้งตัวเวลาเดินปฏิบัติก็จะปวดหลังปวดไหล่ปวดหัวบางทีเท้าเดินแต่ว่าปวดหัว ยกมือใช่จังหวะบางาดีสังเกต ด, ดูมันปวดขาปวดแขนมันไม่พอปวดเท้าวปวดเอวมันเป็นอย่างนั้นนั่งกดทับปวดเขา่าสารพัด ส, ร พ, สรพันที่มันจะแสดงออกมาให้เราได้ผ่านอาการของกายเราก็ผ่านอาการของจิตเราก็ผ่านมันจะสนุกตรงเนี้ยปฏิบัติทา ของเรามาสามวันอนื้อใหญ่น้อยก็ปรับเนื้อปรับตัวละนะกิจวัตรประจำวันนะมันเคยใช้ชีวิตแบบอิสระเฉลี่ยข้างนอกอยากกินก็กินอยากดูก็ดูอยากทำอะไรก็ได้ดังใจมาที่นี่ก็ต่อใส่กรอบของชุนชนะกติกานะของชุมชนดูชุมชนนิวิตรของชุมชนดำเนินไปยังไงแต่ละวันย4ี่ชั่วโมงนะเราก็สังเกต ใช้วิสัยของบัณฑิตไม่เชื่อไม่พป็เศษสังเกตแบบทําวิจัยอ๋อสังคมนี้ชุมชน น, นนี้ก็ทําอย่างนี้กันเนาะแม้ว่ า, าเป็นความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบอ๋อที่นี้ก็ทําอย่างนี้กันเนาะ mm hmm. ก็เป็นตัวปัญญาอะไรกินเวลาเดิน hmm. เวลายืนเวลานอนเวลาขาบับถ่ายจิตวิจําวันต่างๆอากาศ หรืแม้ั้งรูปแบบการปฏิบัติหะอครับปรับกายปรับใจปรับเนื้อปรับตัวมันก็จะเข้าที่เข้าทางไปอย่างเก็บอารมณ์เราก็จะได้โอกาสเราอยู่สี่สิบวันให้ปรับเนื้อปรับตัวสักสามวันสี่วันนอกนั้นแล้วก็สบายแล้วเก็บเกี่ยวตักตัวอย่างเดียวเลยเราก็จึงต้องเจียมเนื้อเจียมตัวกลมหน้ากลมตา เคลนไหวรู้สึกไปวันๆอยู่ไปวัน ๆ, ๆไม่คิดว่าจะได้อะไรนะให้ทําอะไรก็ทํากันไปเคลื่อนไหวรู้สึกนะมือบ้างเท้าบ้างหันตลายแลกว่าแนะม้กระทั่งต้องเก็บตกด้วยนะเก็บประลมเข้มในเวลาอาบน้ําอาบท่าเนยนะวันนี้ใครไปแล้วนะข่าวของน้ํากับกุ้ยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นนะเวลาทำลํำเราก็ทําเต็มที่อยู่แล้วนะ แต่ทำไมเวลาออกมามันรั่วมันเป็นจุดอ่อนมันต้องทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบทั้งในสถานที่แล้วก็นอกสถานที่นะพยายามที่จะพูดให้น้อยที่สุดในทุกๆโอกาสเลยช่นี้เป็นช่วงที่เราจะต้องมาเห็นตัวเองให้ชัดที่สุดไม่ต้องไสนใจเรื่องใคร ออกหนอกตัวมากมันก็ไม่เจริญงอกงามพยายามหันหน้าหันตากลับมากระโดดใส่งานการของเราเลยกรรมฐ า, านมีหลายคนนะก็อาบน้ําแล้วก็เห็นความคิดของตัวเองขณนะอาบน้ําบรรลุธรรมเลยมีหมอคนหนึ่งอยู่จังหวัดคนครสวรรค์ก็กระทุกใจมากเพราะว่าเป็นหมอมีปัญญาเยอะแล้วก็คนเก่งกับคนเก่งอยู่ด้วยกันทางาน ก็เหตุผลเยอะถะเลาะบ่อแวงกันเอาผิดเอาถูกกันมีทิฏฐิมีมานะใส่กันอัตตาตัวตนห่างการมังการความยิงประยองลำพองตะระนงยะโสหัางทายเสือทุกเพราะความเป็นหมอความมีปัญญามากไม่พอทุกข์เพราะว่าเพื่อนยืมเงินไปสี่สิบล้านหยุบไอ f อมเอฟแล้วก็ไม่เคอในทางหาก ต่อมาก็จะทวงก็อายไม่ทวงก็เสียดายจะทวงก็เพื่อนทั้งคนสี่สิบล้านก็เยอะนะหาเกือบตั้งชีวิตไยทำยังไงดีท้ายสุดต้องปฏิบัติธรรมนี่แหละอ่านหนังสือหลวงพ่อคำเขียนปฏิบัติอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงาน ถ้ากิว่าก็ไม่สนใจนในช่วงของที่ก็มีความทุกข์มากๆนะคนนอกตัวเขาพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วว่าดูสิมันจะแก้ทุกข์ได้จริงไหมการเจลศริติพัานแนวเคลื่อนไหวมีอยู่วันหนึ่งขนาดที่เขาอาบน้ําแล้วก็ถูสบู่อยู่ถูสบู่ก็รู้สึกตัวมันมีความคิดแลบออกมาแวบคิดถึงความทุกข์ในอดีตนะ ที่มีคนยืมเงินแล้วไม่คืนนะก็เห็นมันจังๆเลยนะปรากมันหายวับไปเลยก็ทูสบู่ก็รูส้สึกตัวอีกอมันมาอีกหายวับไปกระตาเลยเนี่ยก็ก็ดีใจอย่างมากเลยตอนนั้นะสามารถเห็นความคิดตัวเองได้มันก็ลืมลืมเนื้อลืมตัวเพราะว่าความสุขปีติใจที่มันมีความสําเร็จสามารถดีเห็นความคิดนะ เห็นนามรูปนะเกิดอารมณ์วิปัสโนขึ้นมาทันทีเขาบอกเลยมันโหมันลำดับลำนำมันเกิด hmm. ข <ifs> ึ้นได้ยังไงแล้วมันก็อยากบอกด้วยอยากอวดด้วยอยากแสดงออกว่าตัวเองนทำอะไรได้บางอย่างทุกมันลดลงจริงๆกับคนที่รอลักกับคนใกล้ตัวที่สุดกับครอบครัวก็รู้อีกว่านั่นคืออารมณ์วิปัสโนก็จะกลับมารู้สึกตัว แล้ววันลงขึ้นแลขับรถมาหาหลวงพ่อมเขียนที่วัดภูเขาทองที่นี่มีหลวงพ่อมเขีย น, นเป็นประธานสงฆ์ท่านก็อยู่เมื่อกี้ก็เจอท่านก็ให้สื่อวีซีดีมของคุณวลเวทมหาพานิชฐ์เมื่อวานครบรอบร้อยวันก็กระดูกเก็บอยู่ที่นี้ เป็นเจ็ดทีก่นหนึ่งแล้วก็อายุสี่สิบก็หมดชีวิตไปแล้วกลเา ว, วิดีโอว่าเป็นครูขณะใกล้ตายใน ง, งดงามมากตั้งสติได้ยอย่างดีกอดพ่อขอกอดพ่อหน่อยพ่อขอบคุณมากที่เลี้ยงดูชีวิตผมมาได้โตเติบใหญ่นะขนาดนี้ก็กอดพ่อ สั่งเสียทุกคนที่อยู่รอบตัวพี่ทําใจได้แล้วพี่ทําใจได้ละปล่อยวางได้ละไม่เป็นไรไม่เป็นไรชล้กนอนหลับพระก็ตายเป็นอาจารย์ที่ดีหลายคนไม่ทําได้เวลาใกล้ตายแต่ว่าหมอที่เราเนี่ยทำได้ขณะอาบน้ํายังมีชีวิตอยู่นะ่เออมันก็เป็นไปได้ไม่ต้องบวชคนหัวคนกิ้วนุ่งผ้าเหลืองผ้าขาว บางทีอยู่กับบ้านก็ช่องนั่นแหละความทุกข์บังคับเราก็ต้องเรียกว่ามีปัญญามีทางออกมีปัญหาก็มีทางออกอยู่ทุกปัญหานปัญหามันมีก็อยากท้อแท้หนทางแก้มีเสมอดรอะไรก็ตามแต่ว่าจะมีปัญญาแบบนั้นต้องมีความรู้สึกตัวก่อนเพอปัญญากิดการจัดการมีสติมีสติก็มีปัญญาเงี้นะจะมีสติได้ก็ต้องมีความรู้สึกตัว จะมีความรู้สึกตัวได้ก็ต้องเนี่ยเคลื่อนไหวอหวัยวะลงไปนีมันจะได้มีความรู้สึกตัวอยา่างๆการตื่นรู้แต่ละขณะนี่มีความหมายมากเนี่ยเราก็จึงมีการปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องวินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งเก็บเกี่ยวเข้าไว้หลงเพล่เไปไม่เป็นไรกลับมาได้มาเลยก็ได้คะแนนเหมือนกันกระดูกจะแข็งถ้าเป็นนักมวทนักแกร่ง ชกกรของจริงเลยสัตโตรก็ ค, คือความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจนะเกิดมาแป๊บก็ชคความรู้สึกตัวตรรกะหนาเหมือนหมัดติมชกตรงๆลงไปถูกเป้าพระเดีนะ๋ความคิดก็จะอ่อนตัวหายวับไปเลยนะถ้าเห็นบ่อยๆจะเป็นไงก็คือต้นทางของพระนิพานนั่นแหละนะพระนิพานก็คือจิตปกตินะใจเย็นเป็นนิพานใจร้อนใจร้ายเป็นผี ใจดีเป็นพระถึงขั้นใจเย็นนะนิพานเราก็ทำได้ทุกคนภรยะบุคคลหรือภริยะสง์สิ่งเดียวกันเราก็จึงไม่นะหันหน้าหันตาพยายามประกอบกะนะมีเวลาเท่าไหร่ก็ประกอบไปเต็มที่เลยวินาทีนึงรู้ข้างหนึ่งหานาทีนึงรู้สึกตัวทั้งแถบหกสามสิบ ส0 0รอยขณะจิตชั่วโมงหนึ่งเท่าไรสามพัหร้อขณะบินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งมันก็ไม่น้อยนะเป็นก่อเป็นกรรมทีเดียวเราเคยเผลอเคยหลงให้ความหลงมันพาชีวิตของเราไปตามยถากรรมบัจจุบเราเปลี่ยนกรรมเป็นกรรมาฐาน กรรมดีกรรมชั่วเปลี่ยนเป็นกรรมฐานให้มันเกิดผลขึ้นมาเป็นา น, นิสง์คือธรรมชาติกฎของธรรมชาติแสดงออกนะความเป็นธรรมดาธรรมดาพรอดันถึงเวลานึงเชื่อว่าความตายของเราเพียงแค่ดินสู่ดินน้ําสู่น้ําลมสู่ล ม, สลมไปสู่ไฟคืนสู่ธรรมชาติส่วนจิตของเราก็เรียกว่าเนือเหนือเกิดเนือแก่เนือเจ็บเนือตายทําได้ในความรู้สึกตัวมันเหนืออยู่แล้วมันก็จึงไม่มีเรื่องอื่นจะต้องพูดกัน จะพูดก็พูดชวนกันมาทําความรู้สึกตัวกันดีกว่าขยันเคลื่อนไหวให้มันต่อเนื่องทั้งวันหลงก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้สึกตัวรู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่างเงี้ยนะมันก็ทําได้ทุกคนจริงจริงนะจิตของเราเนี่ยทำไมฝึกเอาไว้นะสี่คนหาสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแก่สองคนพาไปมันคืออะไรสี่คนหาม คนสี่คนหามลงใช่ไหมเวลาเข้าไปป่าช้าเผาวเวลาขึ้นเมรุต้องใช้คนสี่คนหามใช่ไหมอันนั้นมันก็ใช่ยอยู่แต่ว่าไอ้ที่มันถูกที่สุดก็คือร่างกายของเรามันมีสี่คนหามไว้คือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมมันหามไว้อาการ32มสองมันหามเอาไว้ที่เมื่อกี้นะเราสวดมนต์กันนะอนะาทิตยิมัตสุมิงกายเย อย่างพระใหม่นี่บวชปั๊บก็กําหนดเลยนะเกสาโลมาน้ขาทันตาตโจนะให้ทองเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเลยบวชปั๊บนี่จะไปสนใจเรื่องอื่นถ้าจะพูดเรื่องอื่นก็มาท่องเรื่องนี้เลยมันเป็นเรื่องของกรรมฐานเบื้องต้นอาการสาสบสองนะแต่ท้ายสุดแลมก็คือเกินสู่ธรรมชาติของมันสามคนแห่คือพระไตรลักษ ลักษณะสามอย่างที่มันช่วยให้เราเหมือนกับมีตั ว, ม, ตวมีตนมีชีวิตจีวะแพะไตรักไตรก็คือสามรักก็คือลักษณะสามอย่างในโลกนี้ทั้งหมดตกอยู่ภายใต้ไตรักทั้งหมดจะสวยขนาดไหนเปรียบเทียมเหมือนกับช่างปั้นหม้อปั้นหม้อลูกสวยขนาดไหนก็คือสังขารนะนะ ไม่สวยขนาดไหนก็คือสังขารนะนะั่นน่ะปุญญาที่สังขารอนะปุญญาที่สังขารนะปรุงแต่งเป็นดีปั้นเป็นดีปั้นเป็นชัว่วนะมันก็แตกทุกลกนั่นแหละก็คืออยู่ภายใต้กฎของพระไตลักษณ์ในโลกนี้ทั้งโลกทั้งใบไม่ทัางโลกนี้เราก็รู้ว่าเออทายสุดก็ต้องดับไปพระทิตก็ตามเอะมานหมื่นล้านปีมัจะกลายเป็นดาวแคะเล็ก ดาวแกะขาวไทยสุดก็หมดพลังไปโลกนี้ก็ต้องเงยือกเย็นอันนั้นนักวิทยาศาสตร์ทำนายเอาไว้รอดนต่อไปรอดูเด้ออีกประมาณหมื่นล้านปีไม่ได้อยู่ถึงหรอกอีกเดือนหน้าวันนี้ก็จะตายอยู่แล้วภาสิทิเบตบอกว่าไม่รู้ว่าชาติหน้าหรือพรุ่งนี้อะไรจะมาก่อนกันเป็นภาสิทของทิเบตเลยบางทีคืนนี้ตายรพรุ่งนี้ไม่ถึงแล้ว หืออีกเย็นๆนี้ตายพวกนี้ก็ไม่ได้เจอแล้วชาติหน้ามาก่อนประมาทไม่ได้นะไม่ต้องความคิดจิตคิดดีขนาดไหนเมื่อเกิดดับเหมือนกันหมดหนึ่งคนนั่งแค่คือจิตของเราสองคนพาไปคือบุญบาปก็เลือกเอาจะเอาอะไรไปถ้าเลือกจะเอาบาปไปก็พยายามทำช่วยเยอะๆะถ้าจะเอาดีไปก็ทำดีเยอะๆ ตเาเจ้าเหนือเกิดเหนือแก่เนืเจ็บนืตายไปนีมันน่าเบือ่อบัตรสงสารันยาวไกลนะกี่องค์ไข่กี่แสนกี่กับกี่กันเราไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ถ้ามีเชื้อก็ได้เกิดเบียดไว้ตายเกิดก็แล้วนะเราก็จึงไม่ประมาทพยายามที่จะสร้างความรู้สึกตัวตัดกรรมทั้งหมดกรรมดีก็แม้ว่ากรรมชั่วก็แม้มีแต่ความเป็นปกติจิตรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยอย่างนั้น มันจะไม่ดีตรงไหนกันเราก็จึงเนี่ยราพากันเข้าวัดเข้าว่าวัดวารามมาวัดจิตวัดใจของเรามันอยู่กับบนหรืออยู่กับบาปรักชื่อทําดีชาระจิตให้หมดจันทร์ขาวสหอาดประพัดสอนป่งใสมันก็จะเป็นชีวิตชีวาที่มันเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปจากที่จะทุกข์จนทั้งมันก็จมทุกข์อมทุกข์ ทำไมทำไมทำไมก็ทำกับเราทำไมทำไมทำไมก็มากระจายเราทำไมก็ทำอย่างนั้นทำไมก็ทำอย่างนีนะ้เราก็ไม่คิดอย่างนั้นแล้วนะ้นนำขาดทุนเป็นชีวิตที่เจ็บปวดนะมันคิดที่ลรมก็กัดต่อตัวเองน้ำหัวน้ำตาไหลนะมันก็ไม่สนุกหรอกชีวิตแบบนั้นหรือนะว่าจะหลงละเิงจากความสุขหลงตัวเรืมตายหลงกายเรืมแก่ หลงพ่อลืมแม่หลงเมียลืมพ่อสารพัดสารพันมันหลงไม่หมดหลงทรัพยจนกระทั่งลืมการไปบัติธรทำหลงงานหลงการมันก็หลงโลกจมโลกอมโลกอ ม, กอมทุกแบบโลกมันจึงเลือกได้เป็นชีวิตที่เข้าสู่สภาวะที่มันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรทั้งหมดได้เหมือนกัน ตรงที่ความรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละรู้สึกตัวมันก็จึงไม่จำเป็นจะต้องพูดเรื่องอื่นกันอีกต่อไปถ้าเราเกินไหวเรารู้สึกกระทตรงนี้แหละใหย้ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเหมือนกับว่าคุ้มค่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ชีวิตเป็นมนุษย์เราพบพระุทธศาสนาแล้วมีโอกาสที่ จ, จะเจริญสติภาวนาจนเกิดปัญญา เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์จงต้อก้า่วงจากความทุกข์ด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละหนึ่งเดียวเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นเบื้องต้นทำกลางที่สุดต่อไปเาลาเยนนี้เห็นว่าสมควรเกี่วลเราเรากราพร้อมกัน